รักบรรดานิทานสีขาวจดหมายถึงคุณนิระนามมีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาถึงบรรณาธิการของนิตยาสารฉบับหนึ่งและบรรณาธิการของนิตยาสารฉบับนี้ก็ได้นําจดหมายดังกล่าวลงในนิตยาสารฉบับเดือนถัดมาถึงบรรณาธิการที่เคารพขณะนี้ผมอายุสามสิบปีแล้วครอบครัวของผม เป็นคริสเตียนที่เคร่งคัดมากแน่นอนครับว่าผมต้องเข้าโบสถ์ทุกอาทิตย์ซึ่งก็เป็นเวลาสามสิบปีเท่ากับอายุของผมนั่นแหละเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้คิดอะไรนอกจากรู้สึกว่าเราต้องเข้าโบสถ์ทุกอาทิตย์เพราะเราเป็นชาวคริสต์และพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราก็ทําอย่างนั้นมานานนมจนกระทั่งวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เมื่อผมได้เข้าไปนั่งในโบสถ์ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผมต้องเข้ามานั่งตรงนี้ในเวลาเดียวกับเมื่ออาทิตย์ก่อนเป๊ะแล้วก็ต้องเสียเวลากว่าครึ่งวันนั่งฟังนักบวชเทศที่แย่ที่สุดก็คือตลอดชีวิตของผมผมฟังนักบวชเทศมาไม่น้อยกว่า 1,500 ครั้งแต่ให้ตายสิผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมจำอะไรที่เขาพูดไม่ได้เลยสักอย่าง หรือที่พอจะจำได้ก็รางเลือนจนหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่นั่งฟังอยู่ข้างๆผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละบางคนนั่งสับประงบอย่างเปิดเผยด้วยซ้ำผมรู้สึกแยก่กับกิจวัตรนี้เสียจริงบรรณาธิการอย่างคุณเคยคิดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าครับเวลาเข้าโบส์ในวันอาทิตย์คุณเคยรู้สึกบ้างไหมว่าทาไม เราจะต้องเข้าไปนั่งฟังอะไรก็ไม่รู้อยู่ทั้งครึ่งค่นวันแล้วก็ออกมาโดยที่เล่าให้ใครฟังไม่ได้เลยว่าเราจะเอาสิ่งที่นักบวชเทศไปทาอะไรได้และถ้าเราจะเอาเวลานั้นไปทาอย่างอื่นจะมีประโยชน์มากกว่าหรือเปล่าผมใครอยากระบายความในใจให้คุณทราบเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับที่อุตส่าห์รับฟังนักอ่านของคุณนิรนาม หลังจากจดหมายฉบับนี้เผยแพร่ออกไปก็มีจดหมายจากผู้อ่านอีกหลายฉบับเขียนตามเข้ามาถกเถียงกันถึงปัญหานี้บ้างก็ชี้แจงให้เห็นข้อดีของการเข้าโบสถบ้างก็เห็นด้วยกับจดหมายของบุรุษนิรนามผู้นั้นบางรายก็ตำหนิติเตียนพวกที่ต่อต้านพิธีกรรมทางาศาสนาอย่างเผ็ดร้อน นับเป็นประเด็นปัญหาที่มีผู้อ่านส่งจดหมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องและมากเป็นประวัติการณ์ของนิตยสารฉบับนี้จนกระทั่งวันหนึ่งจดหมายฉบับหนึ่งก็ถูกนำมาวางที่โต๊ะของบรรณาธิการและบรรณาธิการก็สั่งให้ลงเนื้อหาของจดหมายฉบับนั้นในนิตยสารทันทีเรียนบรรณาธิการที่เคารพและคุนิรนามเป็นเรื่องแปลก ที่ผมกับคุณนิรน า, าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอันใดต่อกันแต่เรากลับมีบางส่วนในชีวิตที่คล้ายคลึงกันในขณะที่คุณเข้าโบสมากกว่าสาสิบปีผมเองก็แต่งงานมาเกือบสาสิบปีแล้วเช่นกันคุณไปโบสทุกๆอาทิทตย์ส่วนผมก็รับประทานอาหารที่ภรรยาของผมปรุงเองทุกๆวันนับจากวันแรกที่แต่งงานจนกระทั่งวันนี้ ผมได้รับประทานอาหารจากฝีมือของเธอไปแล้วกว่าห้าพันมือ้อแต่ถ้าจะถามว่าเธอทำอะไรให้ผมรับประทานบ้างผมอาจจะบอกได้แค่บางอย่างแต่ก็จำไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่เรื่องนี้สาคัญมากนักหรือผมคิดว่าไม่มีใครคิดหรอกนะว่ามันสาคัญสิ่งสาคัญอยู่ที่เราโชคดีแค่ไหนที่ได้รับประทานอาหารซึ่งปรุงจากความรักของคนที่เรารักและรักเรามากกว่า ผมเขียนมาอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งนึกไปว่าภรรยาของผมจะทาอาหารอร่อยเทียบเท่าพ่อครัวในพัตตานะครับเธอแค่พอทำอาหารได้รสชาติพอใช้และไม่มีฝีมือมากพอที่จะทำไปอวดเพื่อนบ้านหรอกแต่นั้นก็ไม่สำคัญอีกเช่นกันเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมก็คือผมรู้ว่าการรับประทานอาหารที่ภรรยาทำทุกวันทาให้ผมแข็งแรงไม่อ่อนแอ เพราะเธอเลือกแต่ของดีมีประโยชน์มาปรุงอาหารให้สามีและลูกๆของเธอรับประทานผิดจากวันที่ผมรีบไปทํางานและไม่ได้รับประทานอาหารเช้าของเธอวันนั้นผมจะไม่สดชื่นและทํางานไร้ประสิทธิภาพมากใช่แล้วทั้งตัวผมเองและลูกๆพวกเราต่างก็มีความสุขมีสุขภาพที่ดีเมื่อได้รับประทานอาหารจากภรรยาของผมหรือแม่ของพวกเขา โดยไม่จำเป็นต้องจำได้หรอกว่าเธอทำอะไรให้เรารับประทานมาบ้างแล้วเช่นกันครับการเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ก็ช่วยให้เรามีสุขภาพจิตดีและมีหัวใจที่แข็งแกร่งคำเทศของท่านนักบวชอาจไม่มีผลต่อการฟังหรือการจดจำของคุณแต่โดยไม่รู้ตัวสิ่งนั้นกำลังแทรกซึมเข้าไปในหัวใจของคุณแล้วผมเชื่อครับว่าหัวใจของคุณ จะเข้มแข็งขึ้นจากสิ่งที่ทุนคิดว่าไรไประโยชน์นี่หละถ้าร่างกายของเรายัางต้องการอาหารแล้วคุณไม่คิดว่าจิตใจของเราจะต้องการสิ่งที่คล้ายคกันนั้นบ้างหรือเพื่อนของคุณสามีผู้รับประทานอาหารของภรรยาทุกวันเธอทั <S <S ้งหลาย คนเรานั้นเมื่อได้ทำในสิ่งใดจนกลายเป็นความเคยชินก็มักจะมองไม่เห็นประโยชน์จากสิ่งนั้นนานวันเข้าก็หลงลืมคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันช่างไร้ความหมายและเป็นการเสียเวลาสุดท้ายคนที่คิดอย่างนั้นก็จะละทิ้งสิ่งดีๆในชีวิตของตนเองไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการถ้าเธออยู่ในวัยเรียนปัญหาที่เกิดบ่อยมากก็คือความเบื่อหน่ายจากการรับฟัง ไม่มีเด็กคนไหนชอบฟังข้อแม่บ่นเรื่องเดิมๆอย่างการพูดจาให้ไพเราะต้องมีสัมมาคาราวะต่อผู้ใหญ่หรือจงใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดและหัดอดออมใะบ้างพอมาที่โรงเรียนเด็กๆ ก, ก็เบื่อที่จะฟังครูพูดเรื่องวินัยหน้าเสาทงเบื่อเวลาครูตักเตือนให้มีความรับผิดชอบเบื่อเวลาครูสอนให้มีความสามัคคีและไม่ทะเลาะ ก, กันเด็กๆไม่อยากฟังเรื่องเหล่านี้เพราะคิดว่ามัน มากเกินไปสําหรับพวกเขาและพวกเขาไม่มีทางจดจําคําพูดเหล่านั้นได้หมดแต่อย่างที่เรื่องนี้บอกสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเธอจะจดจําได้ทั้งหมดหรือไม่แต่อยู่ที่การเปิดรับต่างหากเชื่อเธอว่าเรื่องที่ผู้ใหญ่ว่าเก่าวตักเตือนนั้นล้วนเป็นเรื่องที่ดีที่จะทําให้เธอโตเป็นผู้ใหญ่ที่น่าคารพหาและเป็นคนมีคุณภาพในอนาคต ไม่ใช่ใครที่เดินไปทางไหนก็มีแต่คนเหม็นหน้าเพราะไม่มีสิ่งดีๆอะไรให้ชื่นชมเลยการฟังสิ่งที่ดีๆและคลุกคลีอยู่กับเรื่องดีๆจะทำให้เราเป็นคนดีได้เองโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการจดจาขอแค่เธอเปิดใจยอมรับสิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะแทรกซึมเข้าไปในหัวใจนน้อยของเธอได้ และจะก่อให้เกิดประโยชน์อันใดอันหนึ่งแก่เธอไม่มากก็น้อย แล้ว